ตอนบรรยายในวันปีใหม่กาบน้ำมรการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกัลยาะณมิตรทุกท่านก็เหลือเวลานิดหนึ่งนะก่อนที่ท่านจะไปฉันเช้าออทุกปีนะพวกครูมาอยู่ที่นี่ปีนี้ก็ยี่บห้านะแต่ละปีเร็วมากปีหนึ่งเหมือนนาทีหนึ่ง ก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนนะเป็นปีใหม่ซื้อยิ่งใหญ่นะตอนนั้นเราใช้ชีวิตทางโลกพ่ะครูก็เคยลิ้มรสนั้นมาเราทำงานเหนื่อยมากตลอดทั้งปีนะพอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็ต้องนับไปถอยหลังโดยไปหาความสนุกสนานลื่นเลงเราบอกว่าให้กำไรชีวิตบางทีก็ไปทัวร์ประเทศนั้นประเทศนี้ ทุกปีทุกปีเขาเป็นแบบนั้นก็เรื่องเก่าเปลี่ยนสถานที่ใหม่เปลี่ยนเกมใหม่เท่านั้นเองจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าให้กำไรชีวิตให้กาไรกิเลสกิเลส ช, ชอบมากคือไปเพิ่มอาหารให้กิเลสแต่ปีนี้ท่านที่ได้มาที่นี่เนี่ยเมื่อคืนเรามุ่งมั่นบำเป็นเพียนปฏิบัติเป็น ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะเขาเรียกว่าปฏบิบัติบูชาแก่พระรัตนไตรัยบางคนไม่เคยทํำอะไรกัพระรัตนไตรัยเลยแต่ว่ามีแต่ขอขอขอกอกนะารบวชสามครั้งก็ขอถุกละวันที่หนึ่งเหมือนถ้าเราไม่มีฝากเงินฝา ก, ากธนาคารไว้เราเบิกมันถึงจะมีก็ช่างเบิกไปมั่งมมันก็หมดนะครูทีเจ้ามไม่สอนให้เราเบิกนะตอนนี้มี ลทัทธิหนึ่งหรือสายหนึ่งเนี่ยเขาสอนวิธีเบิกบุญพวกูก็มานั่งพิจารณาเอ๊ะว่าจะทำบุญได้เนี่ยแสนลำบากนะต้องเรียนเก่งๆก็หาเงินเยอะๆแล้วมีเงินแล้วส่วนหนึ่งก็ซื้อความสะดวกสบายส่วนหนึ่งก็แบ่งปันไปทำบุญนะเอาเงินเอาเวลาเราเนี่ยไปแลกวิชาสิบยี่สิบปีแล้วก็เอาวิชามาหาเงิน แล้วก็เอาเงินมาเปลี่ยนเป็นบุญวันดีคืนดีก็เบิกบุญมาเปลี่ยนเป็นเงินอีกมันอ้อมอยู่าอย่างนี้นะเพราะความอยากของมนุษย์นะเบิกบ่อยๆมันก็หมดถามว่าเบิกได้ไม่ได้ตำรวจไม่จับก็เงินเราฝากไว้อยู่บุญเราฝากไว้แล้วเบิกมาทําไมกว่าจะสร้างเป็นบุญน่ยแสนยากลําบากนะเพราะความอยากของเรานะไม่ต้องเบิกพอเกิดวิกฤต ในชีวิตแล้วเนี่ยธรรมชาติเขาเบิกมาคุ้มครองเราเองนะต้องสร้างบ่อยๆไม่ใช่เบิกเบิกเพราะความอยากเราเนะทำพิธีเบิกบุญนะตอนเมื่อคืนตั้งแต่วันนี้นะสองสามวันที่ผ่านมาเราทําพิธีสร้างบุญและเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งบางทีเราทําบุญถวายตัดบาตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอามิตรบูชานะเราก็ทําไป ไม่ละเลยนะแต่ปฏิบัติบูบชาเนี่ยได้อันส่งมากแต่ไม่ใช่มากกว่าฉันทำปฏิบัติอย่างเดียวฉันก็ไม่ทำอามิทบูชาทานมันมีวัตถุทานธรรมทานอภัยทานต้องทําคู่กันไปนะปีใหม่ปีนี้ที่พกูใช้คำว่ายิ่งใหญ่เป็นมหากุศลเมื่อคืนเนี่ยเราใช้เวลาพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนของเราเนี่ยมามุ่งมั่นบาเพ็ญเพียรแน่นอนถ้าไม่มีขันติ ทุกคนผ่านเที่ยงคืนไม่ได้ถึงจะเหนื่อยบ้างนอนแง่งแม่งบ้างก็ตื่นขึ้นมาว <c oughs> ินาทีสุดท้ายนะมาสร้างบุญค่ำปีนะวิปัสนาบา ร, รมีเนี่เป็นกุศลอย่างยิ่งนะเราทำเพื่อเมื่อกี้ก็มีญาติที่ทำถามพระกูว่าที่นี่กวดน้ำไมกูบาอาจารย์ท่านทำพิธีกวดน้ำเป็นอุบายวิธีแต่เราต้องเข้าใจว่ากวดทาไม เห็นไหมกวดน้ําคือเทออกเทออกรดละเลิกสอนเนี่เราเอาออกเอาออกเอาออกแต่ไม่ใช่กวดน้ําด้วยนะน้ํานี่ไปชั่งสมว่าได้ลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งอาจจะห้าบาทเนาะกวดลงไปขอถุกละวันที่หนึ่งขอขออยู่นั่นแหละอันนี้ค้ากําไรเกินควรนะมันไม่ใช่บุญเนาะบุญคือเบาบาปคือหนักมันเป็นอุบายวิธี แต่ถ้าเราไม่เข้าใจอุบายวิธีนั้นเราจะเป็นหลงอุบายนั้นแทนที่จะสร้างบุญสร้างบาปให้ตัวเองนะมันหนักเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มมันหนักนะทานเนี่แปลว่าเอาออกสลัดออกวัตถุทานนะเราทำงานหาเงินมาเหนื่อยมากเงินเราก็ยังไม่พอเราถึงหามายังหาอยู่ยังอุตสาห์แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำบุญนะไปเลี้ยงพระ ทำไมต้องเลี้ยงพระพระภิกษุเนี่ยท่านเป็นพุทธบริษัทสี่แนวหน้าท่านมีหน้าที่ศึกษาธรรมนะผู้เจ้าจัดตั้งพุทธบริษัทสี่แบ่งหน้าที่กันท่านจะได้ไม่กังวลเรื่องทา ม, มาหากินท่านจะได้มุ่งมั่นศึกษาธรรมพวกเราผู้ครองเรือนต้องทา ม, มาหากินอยู่แล้วผู้พระเจ้าก็ใช้อุบายว่าทา ม, มาหากินก็ไม่พอต้องทาทานด้วย ศา ส, สนาเราอยู่ได้มาทุกวันนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนมาได้โดยพุทธบริษัทสี่นพุทธบริษัทสี่สีบริษัทนี้เป็นหุ้นส่วนของของของศา ส, สนาทุกคนมีหน้าที่ทำตามหน้าที่ตัวเองเห็นหั้ยเราไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดเราได้อะไรเราก็ได้อะให้วัตถุทานเอาวัตถุทานนั้นเป็นบุญ สลัดความโลภความตเนีออกพระภิกษุอันนี้พูดเชิงเปรียบเทียบเฉยๆจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นท่านก็กลัวเป็นหนี้เราท่านก็ให้ธรรมทานเราคืนทุกคนได้อะไรไหมทุกคนได้ให้ไม่มีใครเสียเห็นไหมมันเป็นอุบายวิธีที่แยบยลมากและทําไมต้องให้ฉันอุษราเรียนมาตลอดชีวิตทำงานหาเงินยังไม่พอเลยยังเอาออกเอาออกอีก เราคุ้นเคยจากการเอาถ้าได้เรามีความสุขถ้าเสียแล้วก็มีความทุกข์เห็นไหมเราต้งทุกทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกกันไหมนะเมื่อวานถามเด็กๆว่าเรียนทําไมฟังดีๆนะไม่ใช่พ่อครูป่อต่อก้านการศึกษาเนะี่เราต้องเรียนยุคนี้ไม่เรียนไม่ได้นะเพราะเขาจัดระบบการใช้ชีวิตต้องเรียนแล้วก็เอาวิชามาทํางานไม่งั้นเราไม่มีไม่มีงานทําแล้วก็ไม่มีเงินดํารงชีวิต แต่ต้องรู้ก่อนว่าเรียนทำไม <c oughs> เรียนเพื่อรู้ตอนนี้ยิ่งเรียนบางทีก็ยิ่งไม่รู้ที่บอกว่าจบสูงสุดก็คือด็อกเตอร์คุยกันไม่รู้เรื่องเห็นไหมด็อกเตอร์สองคนคุยกันไม่รู้เรื่องในวงเล็บหลงภาษาชาวนาสอนควายไถายนาได้ในวงเล็บจิตวิญญาณบ <c oughs> างอย่างยิ่งพูดก็ยิ่งเลอะเลือนยิ่งขัดแยง้ง ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนะการให้เนี่ยเป็นอุบายวิธีเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพื่อให้เราพ้นทุกเป็นการขัดเกลจิตให้ผ่องใสนะวัตถุทานธรรมทานนะพอมาเต้นเต้นเต้นเต้นเขาเผอเขาอินบุคเขาชนเราปุ๊บถึงเราจะไม่พอใจเราเราสะดุดกำลังไปดีๆแล้วเนี่ยเราก็ให้อภัยทาน นะอภัยทานเนี่ยง่ายที่สุดแต่ยากที่สุดอันนี้ต้องต้องเอาไปใช้นะโดยเฉพาะพวกเราผู้คลองเรือนอยู่ในสังคมทุกวันนี้ให้อภัยไม่ได้ฉันถูกเธอผิดนะทำไมต้องให้อภัยทานบางทีเราทำบุญได้ให้วัตถุทานได้ไปสร้างวัดสร้างโรงเรียนช่วยเหลือเด็กยากจนได้แต่คนที่รักกันแท้ๆอยู่ข้างตัวเราเนี่ย พูดเฉียดเฉียดถูริดหนึ่งเนี่ยแขนนี้ต้องชําระไม่มองหน้ากันสามวันสิบวันทำไมเพราะเราให้อภัยไม่ได้ขณะคนที่เรารักยังให้อภัยไม่ได้แล้วคนอื่นเราจะให้อภัยได้หรอและทําไมต้องให้อภัยญาติแล้วทําไมอภัยญาตจึงยิ่งใหญ่ที่สุดที่บอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสปิรินาเป็นอนัตตานั่นแหละแล้วที่เขาบอกว่า าการให้ทำเป็นทานนี่ยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงต้องเข้าใจนะและ้วพวกครูทําไมบอกว่าอภัยทานเนี่ยได้อา น, นิสงมากกว่าวัตถุทานเนี่ยใช่ไหมเราหาเงินหาทองเราก็แบ่งส่วนหนึ่งออกไปเพื่อตัดความโลภความตรหนี่แต่ไม่ใช่หยุดหาเราก็ทําไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราต้องเลี้ยงดูไอ้ขันหานี้ต้องดูแลเขาตามอัตภาพเขาเป็นเครื่องมือเดินทางของเรา นะแล้วก็ทํามทานทุกวันนี้ให้กันได้ไหมยากอุตสาหเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยกว่าจะสำเร็จได้ต้องิทธิ์ต้องฤขสิทธิ์เพราะมันแรกเป็นเงินได้ให้ไม่ได้ต้องแรกเป็นเงินเห็นไมเราให้ทํามทานไม่ได้มันเป็นเงินเป็นทองหมดมันเป็นแค่ความโลภความความควาความอยากยิ่งอภัยทานแล้วเนี่ย ที่บอกว่าการให้ทําเป็นทานเนี่ยยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงตอนนี้พ่อครูกําลังทําอะไรอยู่พ่อครูกําลังให้ทำมาทานพ่อครูพูดครั้งเดียวเนี่ยได้เป็นร้อยเข้าใจไอั น, นิสงฆ์มันเกิดขึ้นกับวงกว้างเนี่ยการให้ทําเป็นทานยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงนะแต่อั น, นิสงฆ์ที่พ่อครูได้จากการให้พ่อครูไม่ขี้เหนียวความรู้ พ่อครูไม่ต้องลิขิตพระรูปเจ้าไม่ขี้เหนียวความรู้นะพระองค์ไม่มีลิขิตศาสนาพุทธไม่มีลิขิตนะให้ด้วยความบริสุทธิ์นะแต่พ่อคูได้ยังไงพ่อคูได้5 0าพ่อคูให้วัตถุทานเลี้ยงเด็กยากจนที่นี่เจ็0แปดร้อคนดูแลชุมชนพ่อคูได้ให้วัตถุทานได้2 5่สิพาพ่อครูให้ธรรมทานเนี่ย สมมติว่าพราะครูให้วัตถุทานเนี่ยคิดเป็นเงินที่ให้มาทั้งหมดลอยล้านยี่สิบกว่าปีสมมติแต่นี้นะได้ย5ิบห้าเปอร์เซ็นแต่ธรรมทานทำไมไม่ต้องเสียเงินเลยทำไมได้มากกว่านะถ้าพราะนครูไปค้นพบวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยเหมือนเขาลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์นี่ขายได้พันล้านเห็นไหม เหมือนเราชี้ทางคนทุกข์ให้เขาแทนที่เขาจะหลงทางเราชี้ทางพนทุกข์ให้ปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาจะตกระลกเขาไปนิพพานอันนี้ได้อันนี้สงฆ์ห้าสิบอูเยอะขนาดนี้ได้แค่ห้าสิบอภัยทานเนี่ยให้เต็มลอยคนที่ให้นี่แม้กระทั่งให้คนเดียวนะให้แค่คนเดียวนี่แหละแต่คนที่ให้นี่ได้เต็มลอย พวกเราเห็นพวกเราสัมผัสได้นะบางทีเจอหน้าไอ้คู่อริตั้งแต่เด็กเลยเรียนหนังสือห้องเดียวกันมันรังแกเราตลอดเราสู้มันไม่ได้เราแค้นมากโตขึ้นมาเจอหน้ามันก็หมั่นไส้ตายแล้วไม่จบนะเกิดชาติหน้าเห็นหน้ามันก็หมั่นไส่อีกโดยที่ไม่รู้จักกันเราจะเจอในกรเนี่ยถูกชะตาเจอในขอหมั่นไส้ถามว่าทาไมมันแบกไปด้วย อภัยทานแค่ครั้งเดียวเนี่ยยิ่งกว่าสร้างวัดสิบวัดร้อยวัดพันวัดยิ่งกว่าการให้วัตถุทานการให้ธรรมทานคืออานิสงส์ที่ผู้ให้เนี่ยอภัยทานได้มากที่สุดเพราะเราเอาภูเขาออกจากอกเห็นไหมบอกแค้นดีต้องชํานะสิบปียังไม่สายแค้ ม, มันมากมันผ่านไปเก้าปีสิบเอ็ดเดือนยี่สิบเก้าวันอีกวันเดียวเท่านั้น ที่จะหมดวีซ่าคืนนั้นก่อนจะนอนหลับคิดถึงมันอีกวีนอีกต่อไปอีกสิบปีเห็นไหมอยู่เฉยๆคิดถึงมันก็นอนไม่หลับแล้วเห็นไหมทุกข์มากแล้วมันง่ายที่สุดวัตถุทานยังต้องโอูโหทำมาหากินกว่าจะได้มาหยาดเหงื่อแรงงานเท่าไหร่เห็นไหมยังต้องเสียวัตถุเสียเงินธรรมทานคุยกูยังเสียเวลานะเสียเวลาเสีย เนี่ยให้ธรรมทานยี่สิบห้าปีจนตอนนี้เสียงไม่มีสิบกว่าปีนั้น่ะมันไม่มีไฟฟ้าที่นี่สดส ด, สดเป่งเสียงสดสดแต่ตอนนั้นมันยังหนุ่มอยู่มันทำได้เนาะตอนนี้มีเครื่องช่วยเทคโนโลยีนะแต่ก็ยังต้องเป่งเสียงอยู่เห็นไหมให้ธรรมทานยังต้องเสียเวลาเสียคำพูดต้องเสียพลังแต่อภัยทานเนี่ย ไม่ได้เสียอะไรเลยเห็นไหมง่ายที่สุดแต่กลายเป็นเรื่องยากที่สุดเพราะอะไรเพราะทิฏฐิมานะเราไม่ยอมก็มันผิดไงก็ฉันถูกไงเอา้าถ้าไม่มีคนผิดคุณจะให้อาภาัยใครคนนี้เ้าไม่ได้ทำผิดอะไรเดินไปบอกฉันให้อาภาัยเธอนะมันจะงงนะดีๆมันโดนเตะเราด้วยไงถือว่าดูถูก ม, มันไม่ทำอะไรผิดไป ก็มีคนผิดเราถึงต้องให้อภัยไงแก้ไม่ได้อย่างอื่นโดยเฉพาะเรื่องความชอบเรื่องของอารมณ์เรื่องรสนิยมเรื่องความเชื่อเห็นไหมถ้ามันเชื่อเหมือนกันใช้เหตุผลแบบตะ ก, กะทุกคนฟังปุ๊บเชื่อเหมือนกันเลยมันไม่ต้องมีหลายศาสนาแม้กระทั่งศาสนาเดียวพุทธเราเองก็แบ่งเป็นนัดทีนิกายโ น, น่นิกายนี่เห็นไหมเพราะความเชื่อนี่มันไม่ใช่เหตุผล ลสนิยมก็ไม่ใช่เหตุผลยิ่งพูดด้วยเหตุผลน่ะยิ่งขัดแยง้งเห็นไหมตอนนี้สังคมเหตุผลไงนิติรัฐนิติธรรมก็ไอ้กฎหมายฉบับเดียวกันด็อกเตอร์สองคนตีความไม่เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่เข้าใจชีวิตเขาไม่เข้าใจความจริงเพราะเขาเรียนวิชาชนะ เขาไม่เคยเรียนดีวิชาพุทธเจ้านะวิชาพนทุกมันถึงทะเลาะกันแบบนี้ไงกฎหมายแก้ไม่รู้กี่ครั้งมันไม่เกี่ยวกับกฎหมายมันเกี่ยวกับสำนึกมันเกี่ยวกับสำนึกมันเกี่ยวกับคุณธรรมเห็นไหมทุกวันนี้เนี่ยเราเอาเอาเหตุผลตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเอง มันไม่จบเราบอกให้มึงใส่สีขาวทำไมสีดำดีกว่าเถียงกันเป็นกี่ร้อยชาติก็ไม่จบมันไม่ใช่อะไรดีไม่ดีมันเป็นความชอบเป็นรสนิยมความเชื่อที่ต่างกันอันนี้พูดด้วยเหตุผลไม่ได้ยิ่งพูดยิ่งขัดแยงด้งโดยเฉพาะหนึ่งเรื่องาศาสนาสองเรื่องการเมืองเขาจึงมีข้อตกลงมีกติกากาง พ่อคูอยู่อเมริกาพก่อคูเคยเป็นอดีตนักการเมืองพ่อคูศึกษาหมดเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่อเมริกามันทําอะไรกันอยูนะ่หลังจากศึกษาถ่องแท้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่มีคําตอบนะหลังจากมาศึกษาวิชาพุทธเจ้าเห็นแล้วจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกมาอยู่ในป่านี้แล้วก็เปลี่ยนโลกไม่ได้มันยังไม่จบไงอเมริกาก็ยังไม่จบเพราะมันตั้งโจทย์ชีวิตผิด นะเหมือนวันนี้ทุกหลายคนลาลาพระครูนะกําลังจะลาไปกลับนะมาจากเชียงรายสุดเขตไม่ใช่อําเภอจังหวัดเชียงรายอําเภอเมืองเชียงรายนะออกไปชายแดนอีกนะชายแดนเหนือเนี่ยมาสู่ชายแดนอีสานนะเมื่อเดือนที่ผ่านมาชายแดนใต้มาลิ้งกับเราชายแดนอีสานนะไม่อยากผ่านกรุงเทพกรุงเทพมันผ่านไม่ได้เขากั้นไว้อยู่ คนเมืองกรุงอ่ะคนมีความรู้มากที่สุดนะแต่รู้ไม่ทั้งหมดรู้ไม่จริงรู้ตามที่ติมานะของตัวเองนะเราตั้งกติกาแล้วเนี่ยเราไม่ยอมรับเพราะว่าบางทีมันพูดเหตุผลไม่ได้มันเป็นเรื่องของความชอบเรื่องทัษนิยมเขาเลยตั้งกติกากล า, างพราะครูศึกษาการเมืองอเมริกาว่าเห้ hey, มันเกิดขึ้นแค่สองร้อยกว่าปีทาไมมันพัฒนาเจริญขนาดนี้อะไรอะไรเนี่ย เมื่อคืนอินเดียแดงเนี่ยเป็นที่มาของอเมริกานะเขาเป็นเจ้าของที่ตรงนั้ น, นคนผิวขาวไปเบียดเบียนเขาและยึดแผ่นดินเขาเห็นไหมเขาไม่มีแผ่นดินแต่ความเป็นอินเดียแดงยังอยู่ของเราแผ่นดินยังอยู่มันไม่มีงานทำนะมันก็ทะเลาะกันนะทำลายความเป็นวิถีไทยหมดแล้วถึงจะมีแผ่นดินแต่มันไม่มีคนไทยอยู่มันไม่มีประโยชน์อะไร นะก็การเมืองพวกครูศึกษาการเมืองอเมริกายุโรปที่เขาเป็นต้นตำรับประชาธิปไตยนะพวกครูไม่ได้บอกว่ามันดีนะมันไม่ดีพวกคูถึงมาอยู่ที่นี่ไงแต่เราไม่มีทางเลือกเพราะคนมันหมู่มากมันอยู่กันแบบว่ามันชอบไม่เหมือนกันไงประชาธิปไตยเสรีเนี่ยเขาไม่ยึดหลักความถูกต้องเพราะความถูกต้องเนี่ยมันไม่มีประหลอดวัดเขาไม่ยึดหลักคุณธรรม เพราะคุณธรรมนี่ไม่มีเครื่องมือวัดมันชั่งตวงวัดไม่ได้เขายึดหลักเสียงส่วนใหญ่โจรมันเลือกโจรโจรพอใจนั่นคือประชาธิปไตยคุณอย่าไปอ้างคุณธรรมอะไรนี่นะไอคนนี้มีคุณธรรมมากบริหารคนส่วนใหญ่มันเป็นโจรเนี่ยมันไม่ชอบมันจะทุกข์มากเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนี้ไปกันใหญ่แล้ว เขาต่อสู้เขาฆ่ากันตายตายเขาถึงมาตกลงไงประชาชที่ไปไม่ใช่ดีที่สุดนะแต่มันยังมีสิทธิที่จะออกความพิดเห็นอยู่ทีนี้ออกก็ออกสรุปยังไงทุกคนมีความเห็นต่างกันก็โหวตเสียงไงส่วนเราเรียนรู้ไปโจรมันเรียนรู้ไปเฮ้ยกูเลือกโจรมาเป็นบริหารกูถูกจใจอยู่ พอใจอยู่เพราะมันดูนิสัยเราแต่บ้านเมืองไม่พัฒนาเลยเรายังยากจนอยู่มองข้างบ้านเฮ้ยมันเจริญกว่าเรามันค่อยๆเรียนรู้อันนี้อ้างนู่นอ้างนี่ไม่พอใจก็ลมลมลมล ม, ลมประชาธิปไตยมันไม่แข็งแกร่งสักวันหนึ่งนะถ้าเราอ้างถูกผิดเนี่ยทุกคนมีข้ออ้างนะนะไม่มีใครไม่ผิดสักคนหนึ่งนะผิดใจชั้นไง ทั้งที่ว่าเขาทำไม่ผิดแต่มันผิดใจฉันใช่ไหมอันี้แหละทําไมพระครูพูดเรื่องนี้แทรกเข้ามาด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยเราทุกข์กับเรื่องนี้ไม่ต้องไปเอาความทุกข์แบบพุทธการมาพูดหรอกไปรู้ ร, ร, รู้แล้วก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ไม่มีอะไรเราเอาทุกข์ปัจจุบันเนี่ยเชีย่ยเห็นว่าทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไรทั้งทางตรงทางอ้อมนะอยู่ซานฟรานเขาเลือก คนอเมริกันเชื่อสายจีนเป็นตัวแทนเขาเพราะคนจีนเยอะเลยนะเคยมีครั้งหนึ่งเมืองเล็กๆอยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาเลือกคนเวียดนามเป็นนายกเทศ ม, มนตรีพวกคูก็ตกใจเฮ้ยอเมริกามันจเจริญขนาดนี้ไงและคนอเมริกันเป็นคนส่วนน้อยตบมือนั่นคือประชาธิปไตยไงถ้าเราไม่ชอบปิดประเทศฟังในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงถ้าพวกคูเลือกพวกครูเลือกแบบนี้แต่มันปิดไม่ได้ไง เราไปหลงเซ็นสัญญาให้เขามาลงทุนแล้วปิดเนี่ยเขาเล่นเราตายเราประเทศเล็กๆเองเมื่อเราเล่นเกมนี้เราต้องยอมรับกติกาแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปตรงไหนมันไม่ดีก็ค่อยๆแก้ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ล้มไม่ดีก็ล้มแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ยืนใช่ไหมพ้นมุทกุกับเรื่องไร้สาระนะก็ไอ้ถูกผิดนี่แหละเพราะเราไม่ให้อภัยทานมันจบอยู่แค่นี้ เราคุณสมบัติตามธรรมชาติเรามันหายไปนะก็ขมวดมางานเราดีกว่าเมื่อคืนเราปฏิบัติบูบชานะเช้านี้เราทำบุญใส่บาสลัดความโลกความปนญีออกเป็นการขัดเกาจิตให้ผ่องใสนะต่อไปถ้าจะกวดน้ำเน่ก็ต้องรู้ว่ากวดทำไมเทออก ไม่ใช่ไปขอเข้ามากราบไหว้พระพุทธรูปนี่ถ้าใครกราบไหว้พระพุทธรูปในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอขอขอขอเพราะครูถือว่าดูถูกพระพุทธองค์พระพุทธรูปนี่เป็นแค่รูปเหมือนสั ญ, ญลักษณ์แลลึก ล, ลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเตือนสติให้เราในมุ่งมั่น ไม่ใช่กราบไหว้ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอนนทนขอนี่คนขอเก่งๆเนี่ยต่อไปเกิดเนี่ยจะไปอยู่อินเดียนะเป็นลูกหลานของชูชกเขากล่าวไหว้ชูชกเพราะมันขอเก่งนะขอพระเวสสันดรขอแม้กระทั่งลูกของเ้าเขาก็ให้กล้าขอก็กล้าให้มันก็เกิดไปมันก็ติด ถูกใจกับการขอไงไม่ต้องหาขออย่างเดียวนะคนมักง่ายเห็นหั้มคือเราทำอย่างไรชว่รเราทำเราเป็นผู้ให้สมมติเรายังไม่จบยังไม่ถึงฝั่งเขาจะเกิดให้เรามีทรัพย์มากเลยเพื่อจะให้อีกแต่ถ้าเราขอขอขอขอนะมันก็ติดโปรแกรมนั้นมันก็เกิดไปขออีกก็เลือกเอานะ เราจะเป็นขอทานหรือเป็นโพธิสัตว์ก็เลือกเอานี่คือสิทธิไงโรงเรียนเราก็มีสิทธิเท่าเทียมกันนะเด็กๆทุกคนนี่มีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ต้องเอามือถือมาโรงเรียนเหมือนกันเท่าเทียมกันหมดเลยแต่เราบอกเสรีเหรอมันเสรีได้ยังไงคนนี้พ่อมันมีเงินก็ซื้อรุ่นดีหน่อยคนนี้พ่อมันไม่มีเงินมันก็ไม่มีมันไม่เสรีมันไม่เท่าเทียมเป็นเสลีที่โง่เขา เห็นไหมทุกคนเท่าเทียมกันไม่ต้องมีมือถือมาโรงเรียนเหมือนกันไปแบกมันทำไมไอ้ก้อนเหล็กตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรสาหรับการศึกษาเราผู้ใหญ่ต้องช่วยเด็กคิดไม่ใช่อ้างเสรีแล้วก็อ้างเสรีเข้าข้างกิเลส ข, ของตัวเองแล้วทำให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะก็พ่อกรูเกินๆแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าภาษาจีนมีคำหนึ่ง หาวเตอร์คายสือซื่อเฉิกงกงเตออีป้านคำนี้ตั้งแต่พวกกูเด็กๆนะ่ะทำไมมันไม่ลืมไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเพิ่งเลิกใช้มายี่บห้าปีมันเกือบลืมหมดนะแต่นี่ไม่ได้ใช้มาตั้งสี่ห้าสิบปีห้าหกสิบปีแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่มันเป็นภาษาจิตคำว่าหาวแปลว่าดีเตอคายสือคือเริ่มต้นเรามีการจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเนี่ย คือความสาเร็จครึ่งหนึ่งเป็นความสาเร็จครึ่งหนึ่งปีใหม่ปีนี้เปิดสักรารเราเริ่มต้นโดยจิตเป็นกุศลปีนี้เราสาเร็จเราไปครึ่งหนึ่งต่อไปนี้แน่นอนพรสวรรค์ก็ส่วนหนึ่งบุญกุศลที่เราสร้างเป็นพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอต้องพรสแสวงด้วยพรสแสวงนี่คือกรรมปัจจุบัน อยู่ที่ว่าเราจะเลือกกรรมชั่วหรือกรรมดีก็แล้วแต่เราเลือกได้เหมือนกันนี่คือเสรีนะโอ้เสรีไปตีหัวใครก็ได้แล้วก็ติดคุกอย่างเสรีก็ทำไปนะพรสวรรค์ไม่พอทุกคนต้องมีพรสพรสวรรค์ก็อยู่จากการเราสร้างบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันคือผลกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันก็คือผลเช่นเดียวกันนะก็จุดเริ่มต้น ถ้าเราเดินทางถูกตอนนี้อยู่ที่เราขยันหรือขี้เกียจเดี๋ยวพวกเรากลับบ้านถ้าท่านใดที่ขับรถมาจะไปเชียงรายก็ดีไปกรุงเทพก็ดีกลับอุบลก็ดีพอไปถึงสามแยกเหล่ายินแปงต้องมีสติต้องเลี้ยวซ้ายไปเซนลินทรนะไปพิบูรณ์ไปวาลินออกกรุงเทพหรือออกขอนแก่นออกอุบล แต่ถ้าเราไปเลี้ยวขวาเราเข้าไปลาวนะเราเข้าไปลาวพอไปเลี้ยวขวาไปถึงลาวปุ๊บรถ ล, ลาวเขาชิดขวารถไทยชิดซ้ายนักวิชาการเราก็ไปนั่งทะเลาะกันว่าเธอบอกชิดขวาดีชิดซ้ายดีคนผลิตรถยนต์บอกยี่ห้อนี่ยี่หัวยี่ห้อนั้นนักปฏิบัติธรรมก็แกมด้วยต้องมีสมาธิมีสตินะ ถ้าขับมีสมาธิมีสติเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีนะขี้เล่ามันเมามาก็ชนเราได้แต่ถามว่าชาตินี้ชีวิตนี้เนี่ยถึงเชียงรายหรือเปล่าถึงกรุงเทพหรือเปล่าถึงอุบลหรือเปล่าไม่ถึงเพราะจุดเริ่มต้นมันผิดมันเห็นผิดเป็นชอบเมื่อเห็นผิดเป็นชอบมันก็ดำรีไม่ชอบแม้กระทั่งดำรีว่ามีสติมีสมาธินะ เห็นไหมมันชอบแล้วไนงะสั่งเขามีเสียงชื่อชอบแค่ไหนก็ช่างก็ไม่ชอบเพราะจุดเริ่มต้นมันผิดคือมันไม่มีปัญญาไม่ได้จบที่สติไม่ได้จบที่สมาธิจบที่ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิทุกคนก็รู้ไงเออเธอต้องมีสัมมาทิฏฐินะเธอต้องมีนะอันนี้วิปัสสนึกเด็กๆต้องยึดหลักสัมมาทิฏฐินะเธอต้องมีปัญญานะพูดพูดมันก็มีปัญญาเลย มันต้องเกิดจากการสร้างการเจริญมรรคไม่ใช่สัมมาธิติเป็นตัวเบื้องต้นให้เธอต้องมีสัมมาธิตินะผู้รู้บอกว่าพรกครูวาสัมมาจิตคือรู้อะไรต้องมีปัญญารู้อะไรรู้อริยสัจ ส, สี่รู้ปฏิสมบูรบาทรู้ไตสิกขาพระครูถามดรจบป ร, ริญญาเก้าท่านรู้หรื อ, อยังบอกรู้แล้วทำไมท่านไม่พ้นทุกข์มันรู้เฉยเฉยมันไม่มีมันไม่มีสั ม, มาธิฏิ มันแค่รู้วิชาการมันแค่ดูแผนที่รู้ว่ามาอุบลมาศูนย์พลรานคอยอย่างไรแต่ไม่เคยมาเลยบางทีมาไม่ถูกนะเนียเลี้ยวผิดหลายคนเห็นหคือสมาธิตินี่เป็นตัวเป้าหมายสูงสุดศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาบางคนนี่วเร็วนี้ก็มีจดหมายมา เหมือนกึงกึต่อว่ากึงๆึนอบน้อมถมตนกึงกึงตีหัวแล้วก็รูปหลังพระครูเหมือนพระครูผู้บูรโศเหมือนเป็นเป็นปลาฉลามเขาเป็นมแมลงเม่าอะไรแล้วก็บอกว่าแต่ว่าฝุ่นละอองมันติดมันเข้าตาปลาฉลามเน่จะออกให้เขาบอกพระครูนี่ต่อต้านคําสอนของบุทรเจ้าไม่ส่งเสริมการเจริญสติฝึกสมาธิเขาฝึกแนวทางอาณาปณสติก็ไม่ได้ผิดไง ที่นี่ก็อาณาปนาสติอยู่ที่ว่าคุณจะเข้าใจมันแค่ไหนอาณาปณสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้นะอันนั้นสอนเด็กๆลมหายใจนี่คืออาณาคืออากาศเราต้องพัฒนาอนาณากลายเป็นปรานะขึ้นมาเป็นปลานขึ้นมารถจนต้องสตาร์ทเครื่องนะไม่งั้นมันวิ่งไม่ได้อาณาปณสติเป็นอนุสติเป็นสติเล็กๆอยู่ในส่วนของอนุสติสิบ อยู่ในส่วนของกรรมฐานสี่สิบเป็นสัมถกรรมฐานตัวนั้นเป็นตัวบาตฐานเบื้องต้นรถยนต์ต้องสตาร์ทก่อนพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บเปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้ใส่เกียร์ปุ๊บดับเลยเพราะพลังมันไม่พอเห็นไหมเราต้องเร่งเครื่องถ้าเราขับรถไม่เป็นเร่งเป็นหรือเปล่าเออทั้งเร่งปุ๊บวิ่งเข้าป่าเลยเพราะเราไม่มีปัญญาตัวนั้นไม่ใช่ผิด มันเป็นอุบายวิธีเห็นไหมเหมือนกวดน้ําอุบายโอ้กวดกวดกวดโู้ภาคภูมิใจมากเลยกวดแล้วฉันได้ขอนวลข อ, อนี่นะขอเอานึกเอานะเต็มกดังเลยอันนั้นมันเห็นผิดเป็นชอกไงเทคนิคกวดน้ำมันไม่ได้ผิดแต่ถ้าเข้าใจมันผิดแล้วเนี่ยแล้วก็จมปักอยู่ตรงนั้นแทนที่จะลดละเลิกกวดน้ําเพื่อลดละเลิกกิเลส ปวดน้ำปุ๊บก็ขอโน่นขอนี่ไปเพิ่มกิเลสแล้วจะไปกวดทําไมะครูบาอาจารย์บางทีพาแผลเมตตาเป็นชั่วโมงเลยบางบางแห่งบอกคูไปแวะไปเยี่ยมนะแผลแผลแผ่แผ่แผลก็ไม่ใช่ผิดนะเป็นอุบายวิธีที่เตือนสติเตือนสติเตือนจิตแผเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ปวดปุ๋งได้แผลเมตตาเดินออกไปกำลังจะใส่รองเท้าเขามาเหยียบขาเราโดยไม่บังเอิญเนี่ยไปด่าเขาไม่มีเมตตาเลยอันนี้แผลแค่ลมปาก แผ่เมตตาเป็นอุบายวิธีแต่ตอนนี้เป็นหลงอุบายไงหอ้ยแผดฉากฉานเป็นนักร้องเสียงดังเลยล่ะพูดชัดเจนฟังแล้วเกิดปิติด้วยนะแต่ไม่เมตตาไม่มีประโยชน์เหมือนอาณาปนสติเหมือนกันเนี่ยมันเป็นอนุสติเป็นตัวเบื้องต้นเราต้องพัฒนาไปสู่วิปัสสนา ส ม, มถาวิปัสนาก็เอาสูตรอานาปณสติเพราะกูก็เขียนมาตั้งบอกบอกทุกคนแล้วไงเห็นไมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปณสติอันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์กายเวทนาจิตธรรมต้องบริบูรณ์แล้วไปฝึกที่ฝึกทุกวันนี้บริบูรณ์ไ้ยอยู่ในอริยบทกายยุบหนอพองหนอ เออขวาหนอซ้ายหนอพุทโธมันยังอยู่ในฐานกายอยู่พอเดินไปเดินมามันเมื่อยหนอเนาะมันเบื่อหนอก็เวทนาในเวทนาไงก็อยู่ตรงนั้นอยู่กับกายกับเวทนาเวทนายู่อยู่ในฐานกายอยู่ในใจเราเวทนาเกิดขึ้นที่ใจมันยังเข้าไปไม่สู่จิตโอเคนะต่อไปนะ เมื่อสติปฐานทั้งสี่อันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์โพชงคืออะไรรู้ไหมเห็นไหมถ้าคุณไม่เข้าไปในจิตในจิตในคุณไม่มีวันได้ลิ้มรสอารมณ์โพชงตรงนี้จิตในจิตแล้วเสพธรรมในธรรมธรรมอารมณ์ที่บันทึกอยู่ในจิตใต้สานึกเราเนี่ยมันเป็น สัญญาเดิมเกิดจากเวทนาในอดีตเราบันทึกสัญญาไว้ดีใจเสียใจประทับใจเกียรชังบันทึกไว้บรารมีเราที่สร้างมาทั้งฝ่ายลบฝ่ายบวกนั่นแหละมันเป็นอารมณ์โพชฌงของจิตเราก็เข้าไปในจิตในจิตไปต่อยอดโพชฌงสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมทําวิชาชอช้างสองตัวทุกวันนี้เราเรียนชอช้างตัวเดียวเรียนไปเพื่อทะเลาะกันแต่ถ้ามีชอช้างสองตัวเนี่ยมันเรียนแล้วมันจะไม่ทะเลาะกันมันจะเกิดปัญญาเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วมันรู้ว่าต้นเหตุคือเรามีอัตตามันก็ระเบิดอัตตาทิ้งทําลายอัตตาจะเข้าไปสู่สุญญาตาวิมุตติก็สมบูรณ์ความหลุดพ้นก็สมบูรณ์มันก็สั้นๆอานาคติไม่ได้ผิดดีแต่เราทําให้มันสมบูรณ์หรื อ, อยัง ไม่สามสี่สิปีก็อยู่ในขั้นตน้นก็พัฒนาไปข้างหน้าสิเราไม่ไปไงเราไม่ไปนะอันนี้ให้เข้าใจว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ไปแค่ฝึกวิชาสมาธิฝึกวิชาสติแต่วิชาสติวิชาไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นอุบายเหมือนเราแผ่เมตตาเหมือนเรากวดน้ําอะไรนี่แหละ เป็นอุบายวิธีที่ปลุกสติเราขึ้นมาปลุกสมาธิเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาเดินทางอันนี้ทําไปทํามาก็ไปหลงวิชานั้นเหมือนเราเป็นนักกีฬาเนะี่ยซ้อมซ้อมซ้อมซอมซอมอมซอมซอมไม่เคยลงเวทีเลยเนี่ยมันจะรู้หรือเปล่ามันจะเกิดทักษะหรือเปล่าว่าที่ซ้อมมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรเห็นไหมอุ้ยขยันมากขันติแล้วส่วนมากคนที่ขึ้นเวทีขันแตกหมดะ เพรไอ้กระสอบมันชกเราคืนไม่ได้มันเป็นเป้านิ่งไงพอเราขึ้นเวทีแล้วเนคู่ต่อสู้มันมันจะชกขวาบอกเราบอกให้ระวังนะฉันจะชกขวาแล้วมันไม่บอกนะตอนนั้นต้องทํำยังไงต้องใช้สมาธิสายสติใช้ปัญญาที่มีอยู่หลบอีกมันสู้กับมันคู่ต่อสู้เราคือทำในธรรมคือทำมารมนั่นแหละที่มันฝังรากเล็กอยู่ข้างในเนี่ยไม่ต้องไปสร้างเวทนาขึ้นเวทนาในอดีตเยอะแย ะ, ยะแล้วมันโผล่ขึ้นมาไม่บอกเราล่วงหน้าด้วย ไม่ใช่ไปนั่งทรมานสังขารมาหนึ่งสิบยิบชั่วโมงเพื่อสร้างเวทนาเสียเวลาใคาอยากจะเห็นเวทนามหาพระครูเดี๋ยวก็เห็นตีหัวปบทีหนึ่งเกิดเวทนาเลยเราไปเราไปเรียนรู้แบบวิชาการแบบสเต็ปสเต็บทีละขั้นมันไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องของวิชาการนะการปฏิบัติธรรมคือมักผล นิพพานไม่ใช่สติผลนิพพานไม่ใช่สมาธิผลนิพพานเห็นไหมเครื่องมือในการพ้นทุกมีอะไรที่บอกว่าไตรสิกขานะวิชาสามอย่างที่เราต้องเรียนเป็นวิชาหลักของมนุษย์คือศีล ส, สมาธิปัญญาหรือแยกไปเป็นทานศีลภาวนาก็ช่างศีล ส, สมาธิปัญญาถามว่าเอาสติไปอยู่ไหน ถ้าสติเป็นพระเอกเอาสติไปอยู่ไหนไม่มีทานศีลภาวนาสติอยู่ไหนก็ไม่มีแต่ไม่ใช่สติไม่สำคัญสติเป็นเครื่องมือหนึ่งในแปดอย่างเป้าหมายคือปัญญาถ้าจิตมีถึงปัญญาแล้วมันจะไม่ง่ที่ทำให้ตัวเองทุกข์มันไม่ง่ที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นมันไม่ง่ที่จะไปสร้างกรรมใหม่ไม่ใช่สติ โจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิไม่งั้นมันป้นไม่สำเร็จเห็นไหมแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญามันจึงใช้สติสมาธินั้นไปเบียดเบียนไม่ใช่โจรไม่มีสตินะเขายิ่งต้องมีสติมากกว่าเราอีกเพราะมันขโมยทำมันต้องระวังมากกว่าเราอีกตอนนี้ไปสอนจบที่สติบอกมีสติแล้วก็จบนคนมีสติไงตอนนี้ไงถ้าไม่มีสตินี่เรียน จบด็อกเตอร์ไม่ได้นะแล้วทำไมด็อกเตอร์มันคุยกันมีรู้เรื่องคนละสีคนละกลุ่มจนลืมประเทศไทยนด้ให้สติไงมีสติมีสมาธิในการจับผิดคนอื่นในการด่าคนอื่นในการทะเลาะกันเราคิดเราเข้าใจว่ามีสติปุ๊บมันดีหมดถ้าสติดีหมดแสดงว่าตอนนี้คนเมืองไทยเนี่ยเป็นคนไม่ดีหมดเลยขาดสติเพราะมันทะเลาะกันไง สติมีสมาธิมีแต่มันไม่มีปัญญามันไม่มีศีลไม่ต้องถึงปัญญาหรอกแค่คนมีศีลนี่ก็ไม่ทะเลาะกันแล้วเห็นไหมศีลคือความปกติของจิตเมื่อกี้ท่านครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ศีลให้พรเป็นการเตือนสติเราอย่าลืมศีลห้าจริงๆแล้วศีลห้าเรามีอยู่แล้วตั้งแต่กําเนิดนะมันเออไม่ใช่เราแกล้งลืมนะ เราถูกความรู้ผิดมันบล็อกไว้หมดสินห้าจริงๆแล้วไม่ต้องถือทาศานก็มีสินหน้าอยู่แล้วเอาเหล้ายี่ห้อแพงที่สุดไปให้มันกินมันไม่กินหรอกมันบอกอะไรก็ไม่รู้เหม็นเอาบุหรี่แพงที่สุดให้มันสูบมันก็ไม่สูบทาสามันโกหกไหมมันพูดภาษาไม่เป็นแล้วมันไม่มีความอยากมันไม่มีเหตุต้องโกหกศินคือความปกติของจิตแต่ตอนนี้เราเท่าหัวงอกแล้วเนี่ก็ต้องไปถือศินห้าไงมันจะทันหรือเปล่านี่ อาจจะตายก่อนสีนมันมีอยู่แล้วดีๆเนี่ ย, เ, ยเขาไปเอากิเลสไปค้อบงามันมาจนมันหายไปหมดเขาถึงเตือนสติเอาสินห้านี่คือเตือนสติเป็นเทคนิคเราเลยกลายเป็นว่านี่เป็นการถือสินแล้วฉันถือแล้วคุณป้าคุณดุงหิ้วกระต้าหิ้วกระเป๋าเนี่ยไปไหนไปวัดไปทำไมไปเอาบุญไปเอาบุญ ใส่กระตากลับมาบ้านไปรับสินด้วยแบกสินกลับบ้านพอท่านให้สินห้าปุ๊ บ, บแบกไปถึงครึ่งทางไอ้เซเว้นกลางบ้านมันกวักมือเรียกขึ้นมาปุ๊บเอามาขวดหนึ่งสินหนึ่งหายไปอย่าง น, น้อยก็กำไรอีกสี่สินกลับบ้านมันไม่ใช่สินแบบนั้นอันนั้นมือถือสากปากถือสินสินตัวหนังสือศินคาพูด เป็นอุบายวิธีในการเตือนสติเรากราบไหว้พระพุทธรูปเนี่เป็นการเตือนสติเราระ ล, ลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสสร้างศรัทธาเมื่อเราเชื่อว่าบุคคลคนนี้เนี่ยผ่านเส้นทางนี้มาแล้วพระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ไปค้นคนว้าวิจัยเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องวัฏฏะสงสาร ยิ่งใหญ่กว่านักวิยาศาสตร์ทั้งปวงพระองค์ก็ทําให้ตัวเองพ้นทุกข์และพระองค์คําสอนพระองค์ก็ทําให้ลูกหลานพระองค์พ้นทุกข์ได้ถ้าเราทําตามพระองค์แต่ตอนนี้เราไม่ทําตามเราก็กาบไปอย่างนั้นแหละกลาบตามประเพณีวัฒนธรรมเฉยๆไม่รู้ว่ากาบอะไรโกรธนั้นก็โกว ด, กกดไปอย่างนั้นแหละให้มันขังแพ่เมตตาก็แผ่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่เคยมีเมตตาเลยไม่มีประโยชน์เสียเวลา แต่ไม่ใช่มันไม่ดีเด็กๆ ก, ก็ต้องใช้ภาษาเด็กลิงก็ต้องใช้ภาษาลิงแต่ต้องต้องรู้ว่ามันต้องเข้าใจอุบายเทคนิคนั้นนะไม่งั้นเราจะเสียเวลาเปล่านะก็ได้เวลาพอสมควรนะก็ถือโอกาสปีใหม่นี้เนี่ยพอ ก, กูก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, ากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมา ได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนสมหวังทุกประการในชีวิตบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน